ท่านฟังที่เคารพคะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสานีสมทนานะคะดิฉันสันสานีนาภ์เป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวในการนี้เราต้องการจะให้ท่านได้ทั้งปฏิบัติธรรมแล้วก็สั่งสมสุตตะเราก็จึงตั้งใจที่จะทําให้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเป็นการปฏิบัตินะคะตอนนี้ก็ไปเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพู้ทวจนะ กับพระอาจารย์เพริบุญอภิปุณโณค่ะกราบนมัส ก, การกันท่านคะเชิญพานเป็นอีกวันหนึ่งที่มากราบนมัส ก, การท่านวันนี้ตรงกับแรมแปดขั้นเดือนแปดเลยค่ะโอ้วันพระซะด้วยใช่ค่ะอ่าวันพระวันพระนี่เราควรจะทําอะไรมากที่สุดคะเอ่อในสมัยปัจจุบันนี้เขาก็ใช้วันพระในการเชื่อเป็นเรื่องระลึกถึงกันนะ ที่ว่าให้เราฟังทำทำความดีบางคนก็ไม่ค่าสัตว์ไม่เบีเยเบียนสัตว<ะ>์รับประธานาณ์มังสวิรัตบ้างก็สามารถทําได้นะก็สามารถที่จะจ ะ, จะมองแล้วก็ให้ถูกสอดคล้องกับหลักพุทธศัฒนาก็ได้เหมือนกั น, นทีนีเ้เรื่องบันพระนี่ก็เดิมทีมาจากสมัยนู้นที่พระเจ้าพเสรนิโกสนก็ขอให้มีวันที่พระสงฆ์มารวมกันอยู่รวมกันนี่มาทำอะไระก็ไม่ใช่กมานั่งกันเฉยหรือว่าลึกถึงเยวเฉยไหวพระแล้วก็ไป หรือว่าบางคนนึกถึงวันวันนี้เป็นวันพระอา้าวนโมตต า, า, าจอบเลวร้ายแล้วล ว, วันนี้ฉันค่าสัตว์ได้รักย์ได้ไม่ใช่แต่ว่าให้มาฟังธรรมฟังอยู่ทุกวันทุกวั น, วนอย่างตั้งแต่ท่านมาร์กพานั้งสมาธิเนี่ยฟังธรรมแล้วนั่งสมาธิด้วยนี่ยิ่งดีมากเลยอืท่านไปบุญค่ะทีนี้บางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าถึงวันพระรับประทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าได้บุญแหะบุญแล้ว อืข้อที่หนึ่งดิฉันจะถามว่าได้บุญแล้วจริงหรือไม่แค่ไหนเพียงใดอืแล้วก็หากจะอาศัยการที่รับประทานมังสวิรัติเนี่ยระลึกต่อไปให้ถึงสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยจะระลึกต่อได้หรือไม่แล้วก็จะเป็นบทพระสูตรใดคะอในเรื่องมังสวิรัตินี้มันมันก็มีแง่มุมเหมือนกันนะค่ะอคือหมายความว่าในเวลาที่เรารับประทานอาหารอย่างเงี้ย เราต้องพิจารณาแล้วจึงรับประทานอันนี้ที่หนึ่งก่อนนะจะเป็นมังสวิรัติไม่เป็นมังสวิรัติก็แล้วแต่เธอนะไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อโมเมลเพื่อประดับเพื่อตกแต่งอันนี้เราจะได้บุญละจากการรับประทานานของเราทีนี้พูดถึงเรื่องมังสวิรัตเนี่ยทรัพย์สินเงินทองที่คุณไปซื้ออาหารนั้นมาเนี่ยถ้าเป็นไปตายตยัวธรรมอันนี้ก็ดีมากนะมันก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ง่ายกินง่ายไหมอันนี้ก็ต้องเอาตรงนี้มาปนด้วยนะคือเหมือนว่าถ้าเราต้องไปเบียดเบียนลูกน้องหรือว่าเพื่อนฝูงว นะไม่ถูกละเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณได้มาโดยทําไหมในอาหารเนี่ยนะอืถ้าได้มาโดยทําก็ยินดีด้วยแต่เพราะมันก็เป็นการไม่เบียดเบียนเหมือนกันคทีนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องของอาชีพที่ไม่ควรทําคือคือเราเป็นคนซื้อเนี่ยเราจะเรียกว่าไม่ผิดก็ได้นะคือคนขายเนี่ยเขาขายเนื้อสัตว์ขายสัตว์ที่เป็นพวกเนี้ยก็ไม่เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำแล้วไม่ใช่ถึงว่าผิดเราแต่ไม่ควรทำแต่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าทํามันก็ก็ไม่ควรนี่มันก็เป็นเรื่องของคนขายละ ที่คนซื้อมาก็จะเรียกว่าไม่ผิดก็ได้นะออืมเทีนี้พอเราเรารับประทานอาหารเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนดีที่ว่ามันจะทําให้ร่างกายเบาอ่าเราอาศัยความที่ร่างกายเบาเนี่ยในการประกอบการภาวนาได้ภาวนาคือหมายถึงนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างค่ะ อ, ะอะพอเราทําอย่างนี้ปุ๊บนี่ยเราคุณคุณชื่อว่าใกล้พระุทาแล้วใกล้เข้าไปก้าวหนึ่งแล้วนะเห็นเริ่มเห็นธรรมละเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นพรนะพุทธเจอาน เพราะนั้นถ้าใครจะใส่เหตปัจจัยว่าเอว น, นี้เรารับประทานมังสวิรัติก็คิดในลักษณะนี้ได้หรือถ้าจะคุณจะไม่มีโอกาสรับประทานมังสวิรัติคุณก็พิจารณาอาหารแต่วรับประทานพอประมาณไม่ให้ร่างกายหนักเหมือนถั่วถูกแช่น้ําพองนะเราเล่นถึงว่าไอสิ่งที่เราได้มานี้เป็นไปโดยธรรมนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาพระเจ้าใกล้พระเจามาขึ้นไปอันนี้ดีมากทั้งสองฝ่ายเลยนะคะคือสามารถนึกไปถึงได้ใช่ค่ะ คืออันนี้ก็จะทําให้ทั้งฝ่ายที่รับประทานมังสวิรัตก็ใกล้ผู้เช่าได้ฝ่ายที่ไม่มีโอกาสทําอย่างนั้นก็ใกล้ผู้เช่าได้เหมือนกันอย่างประสงค์อย่างเงี้ยบางทีมันต้องเลี้ยงง่ายนะเราจะไปเราจะไบจัดหาไอ้พวกมังสวิรัตบางทีปัญหายากอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลี้ยงง่ายๆก็บางทีไม่ได้รับประทานมังสวิรัตเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็สามารถปฏิบัติทําได้เหมือนกันว่างั้นเถอะดิฉันเข้าใจว่าคนที่รับประทานมังสวิรัตเนี่ย อย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยเขาได้ไปแน่ๆคือต้องมีสติอย่างยิ่งนะคะ ใ, <ช>ในการที่จะระลึกถึงใช่ค่ะนะคะคือคือได้สติเนี่ยได้ไปละนะคะดังนั้นเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าหากว่ายังอยู่ในกรอบของสตินะคะใช่พอพูดเรื่องพระเจ้าเนี่ยค่ะท่านคะดิฉันจะกราบเรียนถามท่านว่ามีพระวินัยอย่างไรหรือไม่คะในการที่พระสงฆ์จะเดินบินธบาต หลังจากที่ท่านพูดว่าปกติถ้าเข้าไปบ้านเรือนใครไม่ให้ใส่รองเท้าถูกไหมคะใช่ใช่ทีนี้พระสงฆ์เนี่ยเดินเคียงกันมาสองรูปได้ไหมคะได้ได้อ๋อเหรอคะได้คือหมายถึงในในหมู่บ้านใช่ไหมก็ไปเป็นบาทอย่างนี้ใช่ไหมคือเออปัจจุบันนี้มันก็มีเทคโนโลยีก็จะส่งไลน์เลยกันใช่ไหมคะอวันหนึ่งเดี๋ยวฉันก็ไปไลน์ไปถึงไม่เสจใช่ไหมไปใส่บาทใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ทักทายมาถามโอ้ยทำไมตื่นเช้าไปไหน เราก็เลยว่กอ้าวเรามาใส่บาตรแล้วพอดีพระสงฆ์เดินมาพอดีที่นก็ถ่ายรูปก็ไม่ได้ทันสังเกตว่าพระสงฆ์ได้เดินเคียงกันมามสองรูปแบบหน้ากระดานอเ<ม>พื่อนเขาก็ส่งต่อมาเลยว่าพระสงฆ์เดินอย่างนี้ถูกหรอ<ม>อ๋อเลยเป็นประเด็นทีฉันต้องเอามากราบเรียนถามท่านเลยนะครว่าเดินได้หรือไม่ถ้าเดินบินธบาตต้องเดินอย่างไรเอ่อให้ไปเป็นลําดับบริจาบอกบทเพียชนะก็คือว่าไปในบ้านเนี่ยให้ไปเป็นลําดับทีนี้นี่คือไปในบ้านขาไปนะขากลาบับนี่ก็สบายสบายได้อยู่ไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจน อ๋อนะคกลับนี้บางทีมีภารกิจนะผู้ที่อ่อนกว่าอย่างเงี้ยอาจจะมาอุปถากผู้ที่มีคราสามารถกว่าโดยการช่วยถือบาทบานแบบจะต้องมีการเดินแซงกันบ้างอย่างเงี้ยก็ก็เป็นได้แต่ฉันไม่ได้ตอบเพื่อนนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกไม่อยากจะพูดอะไรเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กลัวผิดกลัวบาปแต่ว่าในใจก็ยังคิดนะคะว่าเอ๊ทำได้หรือเปล่าได้หมนะคะอย่างที่สองที่คิดต่อก็คือ หรือว่าท่านจะมีธุระต้องเดินมาเคียงกันเพื่อที่จะคุยกันได้อืม ก, ก็ก็ทำได้หรือพระยาอบูไว้ววชัดเจนข้อปฏิบัติหนึ่งของภิกษุผู้อุปถากนะผู้อุปถากต์นี่ยคือต้องกลับมาก่อนนะคือต้องเดินมาก่อนภิกษุผู้ที่เป็นอาจารย์ของเราแนะเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะตรีมน้ําใช้น้ําฉันจัดที่ทักที่ทางเรียงต่างให้เรียบร้อยก่อนที่อาจารย์คุณจะมาเพราะฉะนั้นผู้อุปถากตเนี่ยต้องเดินมาก่อนเดินนำหน้าด้ว ย, ด, วยด้วยซ้ำ คือถ้าจะให้อาจารย์เดินน้าหน้าอย่างเดียวบางทีมันไม่ถูกกาละเทศะแต่ว่าในยามเดินบินธบาตเป็นสายอย่างไงครัท่านคะ่ะก็ถ้าภิกษุองค์นั้นเขารับหน้าที่ในการที่จะต้องมาเตรียมน้ําใช้น้ําฉันเวลาที่อาจารย์เขาจะเดินกลับมาอย่างนี้ก็ทําได้นะแต่สุดท้ายที่เรียนกลับเรียนถามท่านมานี้ต้องบอกท่านผู้ฟังเลยนะคะว่าอ <ừ> ืมปกติแล้วฉันจะไม่เคยติดใจอะไรคือจะนิดหนึ่งขึ้นมาก็ต้องวางเดี๋ยวนั้นเลยเพราะกลัวอกุศลเกิด ยังคิถูกหรืคิดผิดครับท่านอาาถูกต้องถ้าอะไรที่จะทําให้อกุศลเกิดเรารีบวางเลยทีนี้กลับมาที่เดินนิดนึงก็คือว่าแต่ถ้าเดินเดินกระโยงเนี่ยจะไม่จะไม่เริ่มไม่ถูกแล้เดินกระโยงนั้นจะเดินกระโยงเนี่ยจะเดินมาเป็นลําดับหรือจะเดินเรียงหน้ากันมานี่ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ยกขาขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยหรอคะกระโยงคือแบบกระโยงตัวเดินเขย่าตัวเดินสั่นไปสั่นมาอย่างเงี้ยเดินกวัยแขนแรงแรงกวัยแขนสูงขึ้นมาเกินไหล่อย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะก็เรียกว่า ท่านถ้าตามวินัยท่านมีหน้าที่จะต้องสารวมแต่ถ้าเกิดท่านเดินมาจริงๆโยมไม่มีหน้าที่ไปวิจารณ์อย่างนั้นถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ อ, อ, อาจารย์ของบุคคลผู้นั้นที่จะคอยบอกสอนตักเตือนค่ะหน้าที่ของเราคือเก็บจิตของเรานะทำไงเราจะเก็บจิตของเราไม่ให้มีอกุศลเกิดขึ้นได้การเก็บจิตเช่นนั้นเนี่ยเก็บจิตเพื่อพระที่เราเห็นแล้วเราอยากวิจารณ์หรือเป็นการเก็บจิตเพื่อเรา เ ก, เก็บจิตเพื่อให้เราเนี่ยมีจิต ท, ที่เป็นกุศลอันนี้ชื่อว่าเรารักษาตัวเราเองนะะทีนี้ดูเหมือนกับว่าเราเป็นคนนิ่งดูดายเกินไปหรือเปล่าคะที่ว่าอาไม่ช่วยกันจันลงความถูกต้องสมมุตินะคะสมมุติเกิดไปเจอพระภิกษุสงฆ์ทำอะไรผิดจังๆอย่างเงี้ยแต่ท่านอาจารย์ภับุญว่าให้เก็บจิตไว้จะได้เป็นอกุศลอืมเอถ้ามันมีได้สองแง่มุมตัวนี้คุณยมติว่ว<ะ>ที่คุณยมติ๋วว่าไอ้ น, นี่เป็นการยิ่งดูไายไปไหม <c oughs> ถ้าเราต้องการช่วยรักษาศาสนาช่วยรักษาคำสอนพระเจ้าเนี่ยเ อ, า, อยางี้เราทำเหตุของการที่จะทำให้คำสอนมันอยู่ได้ดีกว่าอันดแรกก็คือว่ารักษาคำสอนที่ถูกต้องไว้คือปริจนาอันนี้อันที่หนึ่งคุณทำหรือ ย, ยัง <c oughs> นะอันที่สองเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆไหม <c oughs> นะไม่เลิกล้างในคุณจะทำอะไรได้นิดหน่อยเราไม่หยุดไหมเราทำไหมนะ แล้วมันจะค่อยมาถึงประเด็นตรงที่ว่าอคุณจะค่อยไปดูว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงจริงๆจริงๆประเด็นที่ว่าคุณจะค่อยไปดูคนนั้นคนนี้ว่าเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหน้าที่เราด้วยซ้ําที่ทําให้าศาสนาเจริญ<ท>ะนะอาไหมอ่าถ้าคุณจะช่วยจงลงศาสนาจริงๆทำเหตุให้ถูกไม่ใช่ว่าคนอื่นทําเหตุให้ถูกในที่นี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะก็คือว่าการที่ใช้พุทธวัจนะอันนี้ที่หนึ่งะนะสองการที่ส่งคําสอนนั้นมาถูกต้องนะบทเพชจารณาถูกต้อง นะสามคือการที่ไม่เลิกล้างจากการได้คุณวิเศษเพียงเล็ ก, ลกๆน้อยๆเช่นว่าคุณไปว่าคุณทําบุญละคุณคิดว่าคุณดีแล้วแล้วเที่ยวมาด่าคนอื่นอ่าไม่ถูกนะนะแล้วมันมีที่ดิ้งดีขึ้นไปกว่านั้นอีกอย่างนี้นะคือทํอาจิตของเราให้ดีนี้เป็นต้นนะสามอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วในทั้งหมด5้าอย่างเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนที่บอกว่าให้ไปคอยว่าคนอื่นหรือว่าชี้โทษคนอื่นอย่างเงี้ยไม่มีอ๋อไม่มีนะคะใช่ท่านหมายถึงว่าในส่วนที่ คารวาสกับพระสงฆ์เท่านั้นหรือว่าในส่วนคารวาสต่อคารวาส ด, ด้วยคะอ่าทั้งหมดเลยนะแล้วก็มันจะมีโทษนะด้วยนะคุณโยมดี๋ยวถ้าใครไปดา่าบริภาษเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยโอ้ยจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเอ่อได้รับความเสื่อมเสียอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นบางทีเราเสื่อมจากคุณธรรมที่เราได้แล้วนะหรือว่ามีความคิดว่าได้เป็นผู้ได้บรรลุหรือว่าเอ่อได้รับทุกโทษต่างๆเป็นโรคนะเป็นบ้าเป็นอะไรพวกนี้โอ้มีหมดเลย เพื่อนบุญค่ะแต่ทีนี้คนเราก็จะต้องทําหน้าที่ในการที่จะช่วยรักษาความถูกต้องความถูกต้องคืออะไรคุณโยมเตียวความถูกต้องคืออะไรก่นค่ะงั้นก็กรับเรียนถามกันเลยดีกว่าค่ะความถูกต้องเนี่ยคือทําวินัยไงคือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมนี่คือความถูกต้องะความถูกต้องต้องมีมาตรฐานนะแต่ถ้าคุณจะเอาคนหมู่มากมายกว่าค่าสัตรีอันนี้คุณผิดธรรมนะเอาเอาพุทธิพุทธเจ้าบัญญัติก็แล้วกันใช่ไหม ทีนี้ผู้เจ้าบัญญาเนี่ยเป็นมาตรฐานเป็นเบนช์มาร์กแล่ะเว้นถ้าใครออกจากตรงนี้เริ่มเสื่อมละเว้นถามว่าเราเราเราเราออกจากจากตรงนี้หรือเปล่าเราอยู่ในตรงนี้ไหมนี่แหละคือความที่เราจะรักษาได้ทีนี้ถ้าจะว่าไปท่านบอกว่าศีลสมาธิปัญญาท่าในทางพระพุทธศาสนาคือเครื่องหมายว่าถูกต้องใช้กับพระภิกษุเท่านั้นหรือเปล่าคะอ๋อฆราวาส ด, ด้วยฆราวาสก็ศีลของฆราวาสความปกติ ข, ของฆราวาส ในมีการเสพกา ร, รอยู่แต่มีอยู่ในความปกติ5้าอย่างหลักภิกษุสงฆ์ก็เลิกเสพกา ร, รแล้วก็มีความปกติอย่างอื่นๆขึ้นมาอีกเช่นเครื่องแบบทรงผมพวกนี้ก็เป็นความปกติของท่านเหล่านั้นถ้าหากว่าปฏิบัติดังนี้คือเป็นผู้รักษาความถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ถูกต้องตามเผือใจของเรา อ, อยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วเราเมาเลยได้ไหมคะว่าฉันปฏิบัติทำอยู่แล้ว ในขณะใช้ชีวิตโอนแน่นอนเดินอยู่ตามมรคเลยนะสมมุติว่าเราอยู่ที่ทํางานหรือคุณไปพัดก็ได้แต่คุณไม่ได้นั่งสมาธิด้วยซ้ําแต่แต่คุณมองไปทางไหนเห็นต้นไม้เห็นพระเห็นคนอื่นจิตเรามีเมตตาตลอดโอ้โหมีเมตตาแม้เท่าดีดนิ้วเนี่ยก็ถือว่าทําบุญได้มากแล้วนะอืมตรงนี้ชื่อว่าเดินอยู่ตามมรคแล้วนะเพราะว่าจิตตรงนั้นเป็นยังไงนะมีสติด้วยใช่ไหมมีสมาธิฐิ่ด้วยนะวาจาก็เรียบร้อยดี นะมีสมาร์ปชาด้วยนะอาชีวะอะไรก็บริสุทธิ์อยู่เดิมแล้วอนะากรรมทางกายก็บริสุทธิ์อยู่เดิมนะแล้วก็ถ้ามีสมาธิเกิดขึ้นตรงนั้นก็เป็นสมาสมาธิโอ้มากทั้งแปดนิตามมาหมดเลยค่ะเท่ากับว่าวันนี้ท่านก็เห็นขุมทรัพย์รออยู่ข้างหน้าเลยนะคะเพราะว่าท่านไปบุญชี้ทางให้ว่าด้วยการกระทํารักษาความถูกต้องโดยที่ยึดหลักศีลสมาธิปัญญานะคะแล้วก็ ในส่วนตัวของท่านเองก็ขอให้รู้ว่าหน้าที่ในการที่จะดูแลมากที่สุดก็คือดูแลตัวเองดิฉันสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะใช่คนที่รักษาตัว อ, อย่างเนี้ยชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยรักษาตัวเท่ากับรักษาผู้อื่นด้วยก็กราบมรส ก, การขอบพระคุณท่านเปีบุญเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะเชิญบานการตั้งฟังที่รบ ค, ค่ารายการดิฉันเนี่ยก็สนทนากับท่านอาจารย์เปี่ยบุญเพลิน ท, ทุกวันเลยนะคะเกือบจะลืมลารายการก็ มาติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังอยู่ในขณะนี้ก็คือสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะหมายเลข0 2น6์ส0งสท่านทิ้งท่านคําถามก็ได้ขอหนังสือพุททวจนะไปไคร้ครวนสิ่งที่พระาศาสดาของเราตรัสเอาไว้เป็นผู้ทวจนะก็ได้และท่านจะส่งคําถามไปถึงท่านไผ่บูนเพียวธรรมะดอทคอ 106นะคะท่านจะได้นำเอามาตอบในรายการของเราวันนี้สัมสนีสนทนาดำเนินรายการโดยสัมสนีนาคพงลาท่านไปก่อนนะคะพุทธวัตสวัสดีค่ะ